Book 2 5หหความรู้สึกซิตีมีความรู้สึกต้องการอยากมาชุดมาชุดนั n นยี่เจ้ามาชุดนี่เจ้ารบิเรามีความรู้สึก เราต้องการเราอยากมาเมขุดเราไม่มีความรู้สึกเราไม่ต้องการเราไม่อยากงี้มาไมุ่ดกลัวมผมกลัวมผมไม่กลัว มีเวลามัดชั่สเขามีเวลามาชั่สเขาไม่มีเวลานี่มาชั่สเบื่อนูจิตซเธอเบื่อ นูดีส่เธอไม่เบื่อเนี่ยนูดีส่หิวมาตหลับิตหลัดนี้คุณหิวไหมมาตีหลัดสตีหลัดนี้คุณไม่หิวหรือเนี่ยมาตีหลัดนี่สตลัดนี้ กระหายน้ำาม็มมดบิสดสเพวกเขากระหายนา้ำไมยู ส, ส, สพวกเขาไม่กระหายน้ำนี่ไมยู s เมเม